สักครู่เราได้สวดบทพิเศษสองบทบทหนึ่งนะเป็นบทเตือนใจสำหรับพระภิกษุรวมถึงนะแม่ชีด้วยก็ได้ทมที่บรพชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บรพชิตคือทั้งบวชนะควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งเป็นประโยชน์กับบรพชิตนักบวชโดยตรงแต่ญาติโยม ฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นการอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าคุณลักษณะของบําัณชิตหรือนักบวชที่ดีควรเป็นอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเข้าใจดีนักว่านักบวชที่ดีในพุทธศาสนาคืออะไรอย่างเช่นการมีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นคนที่เลี้ยงง่าย อันาเห็นบนรรณชิตหรือพระแม่ชีมีความเป็นอยู่อย่างหรูหราฟู่ฟ้าใช้ของแบรนด์เนมนมากมายอันนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นบนรรณชิตที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าถึงแม้ว่าจะมีคุนพิเศษบางอย่างแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่เลี้ยงยากแล้วนี่ก็เรียกว่า อสอบตกไปแล้วนะในเรื่องการเป็นบรปชิตในพุทธศาสนาส่วนบทพิเศษอีกอบทหนึง่งอันนี้เป็นประโยชน์กับคนทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีไม่ว่าจะเป็นคารวาดนะข้อที่ควรพิจารณาหประการนะปัญจพินถาปจเวโดวยเพราะีข้อแรกเนี่ยสำคัญมาก เรามีความแก่เป็นธรรมาดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมาดาจะร่วมพาา้นควมามเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมาดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนี่ ค, คือความจริงนะที่ไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ร่ำรวยมีอำนาจมีบริษัทบริวารแค่ไหน ก็ไม่มีทางหนีพ้นความจริงนี้ได้และนี่เป็นความจริงที่เราต้องเข้าใจและต้องเตือนย้ำนะใส่ใจอยู่เสมอเรียกว่าต้องสำเนียกอยู่เป็นประจำการที่เราเปิดใจรับความจริงหรือตระหนักถึงความจริงเนี่ยนี่เป็นถือว่าเป็นส่วนของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนานี่ท่าจะว่าไปแล้วเนี่ย มันมีแค่สองเรื่องใหญ่ๆนะอันแรกคือการทำความดีความดีนี่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเราเรียกว่าจริยธรรมคุณธรรมประการที่สองคือการเห็นความจริงหรือการเข้าถึงความจริงความจริงนี่เราเรียกว่าสัจธรรมธรรมะในพุทธศาสนา ม, มีแค่สองเท่านั้นนะคือสัจธรรมกับจริยธรรมสัจธรรมคือความจริงที่ต้องเข้าถึงรือ เห็นให้แจ่มชัดจนแจ่มแจ้งถ้าเห็นจนแจ่มแจ้งก็เรียกเกิดปัญญาส่วนเจริญธรรมก็คือความดีที่ต้องปฏิบัติถ้าปรารถนาความสุขนะที่เหลือนั่นเป็นส่วนประกอบเช่นเรื่องพิธีกรรมนะพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นส่วนที่ตามมาทีหลังสมัยที่พระจ้าตสัสรู้แล้วก็เมื่อครั้งที่ยังมีพิสุสง์ เป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าแท้ไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยแม้แต่การบวชก็ง่ายมากนะเพียงแค่พระเจ้าในตัดว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดเพื่อทําความที่สุดแห่งทุกข์ให้สิน้นอันนี้ก็บวชได้แล้วหรือจงมาเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดเพื่อประพฤติปุญจารย์ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ถือว่าบวชแล้วนะไม่มีพิธีรีตรองอะไรมาก พิธีรีตองหรือพิติกรรมมันตามมาทีหลังนะอย่างนั้นก็เรียกว่าส่วนเสริมนะและพิธีรีองบางอย่างก็เป็นส่วนเกินด้วยนะต้องแยกย้ายออกว่าอะไรเป็นส่วนเสริมะอะไรเป็นส่วนเกินแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่เป็นสาระสําคัญของธรรมะเนี่ยมี2 อ, อย่างคือความดีและความจริงนะความดีเป็นสิ่งที่เราต้องทําหรืออ่าควรจะทํา เช่นการให้ทานการรักษาศีล น, นะไม่เบียดเบียนใครอันนี้คือความดีความเอือ้อเฟื้อเผือแผ่ความมีเมตตากรุณานะรวมทั้งความเพียรในการทำกิจการงานต่างๆเรียกว่าความดีส่วนความจริงเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าถึงเริ่มต้นจากการเข้าใจก่อนและความจริงสีประการเนี่ยนะ เป็นความจริงสําคัญมากที่เราต้องรับรู้แล้วก็ตระหนักให้ได้เพราะถ้าเราไม่ตระหนักเมื่อเวลาแก่เมื่อเวลาเจ็บนะเมื่อเวลาป่วยหรือเกิดความพัดพลาดสูญเสียขึ้นมาก็จะทุกมากนะหลายคนนะเวลาป่วยก็จะ ค, ควร่ําครวญว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นเวลาของหายนะเวลารถยนต์หายเวลาถูกโกง หรือสูญเสียคนรักเช่นสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่ก็จะคลัําควรวญว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมถึงต้องเกิดขึ้นกับชั้นนะชันอุตสาห์ทำความดีมาตลอดนะหลายคนมักจะพูดแบบนี้อันนี้เพราะว่าไม่ตระหนักถึงความจริงที่ว่าไอความจริงที่ว่านี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะไม่ว่าจนหรือรวยไม่ว่าชั่วหรือดี ไม่ใช่ว่าทําความดีแล้วจะไม่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่สูญเสียเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมากเ่ยหลายคนขยันทําบุญนะทำบุญเรียกว่าเต็มที่เลยนะไม่ว่าจะมีงานกระถิ่นงานผ้าป่าก็ทําบุญนะมีซองก็ถิ้นมาซองผ้าป่าก็ใส่เข้าไปเต็มที่บางทีก็ไปถึงกับทําบุญเจ็ดวัดเก้าวัด ไปสังเบ ช, ชนิสถานไปถึงอินเดียสิ่งทั้งหมดที่ทำเนี่ยดีทั้งนั้นนะแต่ถ้าทำด้วยความเข้าใจว่าจะแคล้วคลาดจากอันตรายจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะจะไม่ประสบไม่ประสบความสูญเสียพัดพากเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมากแล้วความเข้าใจนี้มันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้อย่างมีคนหนึ่งในแกเป็นผู้ชายซึ่ง สนใจธรรมะเข้าวัดตั้งแต่เล็กเรื่องเรื่องศีลนะกักแกก็เคร่งครัดนะไม่ไม่ไม่ผิดศีลทำบุญนะก็ทำเต็มที่ทั้งหมดที่ทำด้วยความเข้าใจามาโดยตลอดว่าชีวิตแต่ประสบความสุขความจเจริญจะอายุยืนยจะไม่เจ็บไม่ป่วยจะคล้าคลาดจากอันตรายโรคภัยทั้งหลายไม่มาเข้า่าน แต่แล้วเนี่ยพออายุสี่ิก็เพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งจะตกใจมากแล้วไม่ตกใจอย่างเดียวนะทั้งโกรธแค้นด้วยเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าถูกหลอกถูกหลอกให้เชื่อว่าเนี่ยถ้าทําอย่างนี้แล้วทําความดีแล้วนี่จะประสบแต่โชคลาภนะจะมีอายุยืนอันนี้ทําไมเป็นมะเร็งนะทำไมทำใจไม่ได้นะไม่ใช่ป่วยกายแต่ป่วยใจด้วยเพราะความขับแค้น แสดงความก้าวร้าวออกมาความทุกข์ที่อยู่ในใจันปรากฏมาเป็นความก้าวร้าวระบายใส่หมอใส่พยาบาลแล้วพอถึงเวลาป่วยหนักก็ไม่มีความสุขนะทุรนทุรายจนทั่งเวลาตายก็ตายไม่สงบเนะพราะอะไรเพราะทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยนะต้องป่วยยอมรับไม่ได้ว่านี่เป็นธรรมดาของชีวิตที่เกิดขึ้นกับทุกคน คนเรานี่ถ้ายอมรับโรคภัยไข้เจ็บหรือยอมรับความทุกข์ไม่ได้นี่มันทุกข์มากเลยนะถ้าป่วยกายก็จะไม่ใช่แค่ป่วยกายจะป่วยใจด้วยถ้าสูญเสียจะไม่ใช่สูญเสียแค่ทรัพย์นะแต่ว่าสูญเสียความสุขแล้วต่อมาก็จะสุขภาพก็จะแย่แล้วต่อมางานก็จะเสียเพราะว่าไม่มีแรงทางานไม่มีกรจิกกระใจจะทางาน แล้วพอความเครียดมากความหงุดหงิดมากก็ระบายใส่คนรอบข้างความสัมพันธ์เสียอีกเริ่มจากเสียเงินเสียรถแล้วทาใจไม่ได้อยอมรับไม่ได้ว่านี่คือธรรมดาของชีวิตมันต้องเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นเสียความสุขเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายเสียงานเสียการแล้วก็เสียสัมพันธภาพนะมันระเนระนาดเป็นหมดเลยนะเพราะการไม่อยอมรับความจริง ถ้าอยอมรับความจริงได้นะก็จะเดินหน้าต่อไปได้ไม่ถูกเหตุการณ์ในอดีตมาครอบงาเหมือนกับว่าติดคุกติดตารางคนที่ไม่สามารถจะหนีจะกล้าออกจากอดีตได้อดีตที่เจ็บปวดความสูญเสียเป็นต้นเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ติดคุกนะไม่มีทางที่จะออกไปเจอแสงสว่างได้คุกมันไม่ใช่เป็นแค่อาคาร ที่ก่อด้วยอิฐคุกที่ก่อด้วยอิทนี่ยังไม่เท่าไหร่นะมันขังได้แต่กายแต่ขังจิตใจไม่ได้จิตใจสามารถจะบยบินมีความหวังมีความแช่มชื่นเบิกบานเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าคุกที่มันเป็นอดีตอันเจ็บปวดนี่มันขังให้จิตใจนี่ไม่ไม่พบกับเดือนไม่พบกับตะวันเลยนะไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันคือไม่เจอความ สดชื่นเบิกบานง้นจะทําดีแค่ไหนหจะทําบุญอย่างไรนะก็ให้ตระหนักว่าเท่านี้ยังไม่พอนะต้องเปิดใจใหเห็นความจริงด้วยแล้วฝึกใจให้จิตใจนิยมรับความจริงเห็นความจริงนะความจริง4ประการเนี่ยเป็นความจริงพื้นฐานเลยยังมีความจริงอีกหลายอย่างนะซึ่งก็คล้ายกันก็คือความจริงที่เรโลกธรรมแปด ก็คือมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศนะได้รับสารเสริอมก็ต้องเจอนินทาแล้วก็สุขละทุกนะแต่โลกธรรมแป้นี่มันยังไม่รวมเรื่องความเจ็บความป่วยนะไม่รวมเรื่องความแก่แต่ว่ามันก็เป็นความจริงนะที่นี้ไม่พ้นเหมือนกันนะมีกับหมดเป็นของคู่กันนะเจอกับจากพบกับพรากนีก็เป็นของคู่กัน เช่นเดียวกับความหนุ่มกับความแก่เป็นของคู่กันที่จริงมันไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันเลยนะมันอยู่ได้ยกันเลยเลยนะความหนุ่มกับความแก่นะความมีสุขภาพดีกับความเจ็บป่วยเนี่ยอย่าไปเขาเ้าใจเป็นตรงข้ามนะแม้กระทั่งชื่อความตายก็ไม่ได้สิ่งตรงข้ามกันพูด จ, จัดว่าชีวิตความตายมันอยู่ในชีวิต ความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวและความป่วยอยู่ในความไม่มีโรคมันอยู่ด้วยกันนะนะทุกขณะที่เราหายใจอยู่เนี่ยมันก็มีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราแล้วทุกวินาทีทุกเซลล์วินาทีมีเซลล์ต่างๆตายนะกันอย่างเรียกว่าเยอะแยะไปหมดเขาเคยมีการประมาณการว่ามีเซลล์ตายในร่างกายเราทุกวันบประมาณ5หมนถึงแ0ล้านเซลล์ ไม่น้อยเลยนะศูนย์นี่ประมาณสิบสองตัวได้อันนี้คือความตายที่เกิดขึ้นทุกขณะที่เรามีชีวิตนะไอความแก่ก็เช่นเดียวกั น, นก็เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันยังไม่แสดงตัวหเห็นชัดเจนมันเหมือนกับเข็มชั่วโมงนะเข็มชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันเคลื่อนตลอดเวลาแต่มันเคลื่อนทีละนิดทีละนิดจนดูเหมือนว่ามันไม่เคลื่อนเลยแต่พอเรา ปล่อยเวลาผ่านไปสัก20่นาทีก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนไปอย่างชัดเจนไอความแก่ในร่างกายเราก็แสดงตัวมาเทลนิดเทลนิดนะไม่ไม่ค่อยสังเกตรหรอกแต่ผ่านไป5ปีสิปีก็จะเห็นว่าเออมันใช่นะความแก่มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาไอความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกขณนะเพียงแต่ยังไม่แสดงตัวออกมาตอนนี้ใครจะรู้ว่าเซลล์มะเร็งกำลกลังก่กงกงกอตัวขึ้นนะตามส่วนในส่วนของร่างกาย แต่เราก็ยังเดินเหินไปปกติได้เพราะว่ามันยังไม่มากพอหรือว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรายัางจัดการมันได้อยู่ยังคุมมันได้อยู่้เชื้อวัณโรคนะก็ จ, จะยังอยู่ในร่างกายเราแต่มันยังไม่กาะ ก, กวนเพราะว่าภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็ยังคุมมันได้อยู่เดีย๋ยวเราก็ตามก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าสักวันนี้เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะอย่างเห็นได้ชัด นั่นถ้าเราอยอนรับความจริงได้รวมทั้งอยอนรับว่าความสูญเสียพัพลากเกิดขึ้นกับเราและไม่ว่าจะเป็นรูปของสิ่งที่รักหรือคนรักนะไม่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือความสูญเสียได้รับนึกกับเหตุร้ายเมื่อมันเกิดขึ้นจะไม่คร่ำควรวญว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นนะถ้าทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่เปิดใจอยอมรับความจริงเรื่องนี้นะ มิหนำซ้ำจะมีความเข้าใจว่าจะมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้ก็อาจจะเป็นโทษได้บางทีทำให้เวี่ยงกลับนะจากคนที่สนใจทำบุญไฟในบุญกุศลกลายเป็นตรงข้ามเมื่อสัก3ามสบปีก่อนเนี่ยที่สุรินเนี่ยมันมีการเมืองสุรินนี่มีไฟไหม้ใหญ่บ้านเมืองก็หลายหลายร้อยครัวเรือนถูก ไฟเผาพรานคนนับพันสิ้นเนื้อประดาตัวก็มีหลายคนนะก็มาตัดพาอกับหลวงปู่ดุลัตตุโลซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆนะท่านเป็นเจ้าวาดวัดบุรพารามกลางเมืองสุรินเลยแต่ว่าไม่ไม่โดนไฟไหม้ที่เขามาตัดพาอตัดพอะว่าอะไรเขาตัดพาะว่าปู่ยาตายายเขานี้ก็ทาบุญมาโดยตลอด พ่อแม่เขาก็ทําบุญตัวเขาเองกรถินก็ดีผ้าปาก็ดีเขากา็ช่วยไม่ได้ขาดนะเรื่องพระเรื่องเจา้าเรื่องวัดวาอารามก็อุปถัมภ์สนับสนุนแต่ทําไมต้องมาเจอความสูญเสียทําไมบุญไม่รักษาทําไมธรรมะไม่คุ้มครองบางคนบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้จะไม่เข้าวัดแล้วต่อไปนี้จะไม่ทําบุญล้นะพอาะเขารู้สึกว่าทําดีทําไมไม่ได้ดี อันที่เป็นคําถามอยู่ในใจคนจํานวนไม่น้อยนะเวลาบางคนทําความดีมาแล้วแต่ทําไมเป็นโรคมะเร็งนั้นทําความดีมากมายแต่ทําไมสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่หรือว่าตัวเองพิการอย่างหลายคนที่ต่อต่อตัดพ่อหลวงกับหลวงปู่ดุลก็บอกเนี่ยต่อไปไม่เข้าว่าไม่ทําบุญแล้วหลวงปู่ท่านก็ท่านก็พูดว่าเนี่ยธรรมะนี่มันไม่ได้ทํามันไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้น แล้าก็บอกไฟเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันความวิบัติความเสื่อมความอันตรทานความพัดพลาดมันเป็นธรรมประจําโลกนะคราวนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าผู้ที่ไฟธรรมเนี่ยเมื่อเจอเหตุร้ายเหล่านี้เนี่ยสิ่งสําคัญคือว่าทํายังไงใจจะไม่ทุกข์อันนี้ต่างหากที่เป็นหน้าที่ของธรรมะนะธรรมะมันไม่ได้ช่วยให้ไฟไม่ไหม้ไม่ช่วยไม่ได้ช่วยให้ไม่หิวไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตาย นะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะดีนะความเจ็บความป่วยก็ทำอะไรไม่ได้ความพัดพลาดก็ทำอะไรไม่ได้มันได้มันได้แต่ทำลายหรือว่าบัณอนร่างกายมันได้แต่อาจจะทำลายทรัพย์สินแต่ว่าไม่สามารถจะบัณอนจิตใจได้ธรรมะที่มันช่วยตรงนี้นะไม่ได้ช่วยว่าไม่ได้ช่วยป้องกันว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายอย่างสิ้นเชิง ธรรมะเนี่ยคือความดีเนี่ยการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยมันช่วยป้องกันเหตุร้ายได้ระดับหนึ่งนะอย่างเช่นการถ้าเราเกิดเราไม่กินเหล้าสักอย่างนเนี่ยโอย้มันช่วยลดโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะเพราะโรคร้ายต่างๆได้มากมายแล้วก็มันช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดเพราะความเมามา้นะทำให้ไม่มีปัญหา ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้คนเพราะไปทุบตีเขาไปทุบบอกร้องเขาช่วยทําให้ปัญหาหนี้สินเพราะการกินเหล้าจนไม่เป็นอันทํางานหรือเพราะติดเหล้าเมายามันไม่เกิดขึ้นไห้ความทุกข์ยากความเดือดร้อนต่างๆนี่มันจะลดไปเยอะเมื่อเราทําความดีเพียงแค่รักษาศีล5ให้ครบเท่านั้นแหละหรือว่ารักษาศีลสีศีลสมนะมันก็ช่วยล ด, ดความเดือดร้อนไปได้ตามส่วน แต่ว่าแม้จะรักษาศีลห้าครบนะก็จะไปคิดว่ามันจะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราแม้จะให้ทานเต็มที่ทำบุญนะทุกวี่ทุกวันมันก็ยังมีความทุกข์ที่สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้อาจจะไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปนะในความหมายที่ว่ามีเรื่องเดือดร้อนทะเลาะทุบตีกันแต่มันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่ยังมีสังขารยังมีร่างกาย มีพี่มีน้องมีคนรักก็คือนี่แหละความแก่ความเจ็บความพลาดพลาดสูญเสียและความตายนี่ถ้าเราเปิดใจนะยอมรับความจริงเหล่านี้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นนะเราก็ยอมรับได้นะเราก็ยอมรับได้หรือว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเออโชคดีด้วยซ้า โชคดียังไงโชคดีว่ามันไม่หนักนะกว่าที่คิดหรือโชคดีที่มันไม่ล้ายไปกว่านี้อนะ่เช่นเจ็บป่วยนะแทนที่จะค่คําครวญก็อาจจะรู้สึกว่าโชคดีนะที่ไม่เป็นมะเร็งนะยังพอรักษาได้มีหมอคนหนึงมาพราะตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมเธอแทนที่จะเสียใจเธอกับบอเออโชคดีนะ ที่มารู้ตอนนี้เพราะว่ามะเร็งแค่ระดับ1ระดับสองยังพอเยียวยารักษาได้ถ้ามารู้เอาตอนระดับ4ีแล้วนี่ระดับ3ามระดับสีนี่คงหมดหวังแล้วอันนี้เธอยอมรับว่าความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาและโชคดีที่มาเจ็บป่วยในขั้นมารู้ตั ว, วเจ็บป่วยในขั้นต้นในขั้นเริ่มต้นนะการจะรับความจริง นะอันนี้มันจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็อย่างที่เราได้ พ, พิจารณาปินหาปจเวกนะมันไม่ใช่แค่ความแก่มันไม่ใช่แค่ความเจ็บความป่วยและความพะเพ่าสูญเสียแต่ว่ามีความตายด้วยอ่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้นึกถึงความตายของตัวเองเท่าไหร่นะไม่ค่อยยอมรับว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายอาจจะถ้าถ้าถามก็ตอบได้ว่าเนี่ย สักวันหนึ่งฉันต้องตายแต่ว่าในใจส่วนลึกเนี่ยมันมันมันไม่อยากคิดไม่อยากนึกถึงเรื่องนี้อยากจะลืมลืมเลยซะตราใดที่ยังยังมีทัศนคติแบบนี้เนี่ยเมื่อเจอความตายเข้ามาประชิดใกล้ตัวเนี่ยมันจะทรมานมากเลยเพราะในส่วนลึกของใจมันไม่ยอมรับมันจะต่อสู้ขัดขืนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเตือนจิตเตือนใจของเราเองทุกวันทุกวันเสียแต่บัดนี้แม้ว่า ใจมาจะยังฟื้นๆอยู่นะแต่ว่าในสุดมันก็จะเริ่มค่อยๆคุ้นค่อยๆชินแล้วก็ยอมรับได้ถึงเวลาเกิดขึ้นก็เสียอาจจะตั้งอาจจะตั้งสติไม่อยู่สักพักแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหนึ่งวันก็อาจจะตั้งสติได้แล้วก็มองไปข้างหน้าวาเอองั้นเราจะทําอย่างไรนะไม่ไม่ใช่เอาแต่คลัางขวัญว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้น แทนที่จะคล้ามขวาว่าทําไมต้องเป็นชั้นนะก็อาจจะคิดหมายว่าเออทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้ทําไมเป็นชั้นไม่ได้เพราะใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นมะเร็งมะเร็งเนี่ยแทนที่จะคล้ามขวาว่าทําไมฉันต้องป่วยก็กลับมาได้คิดว่าเออเราป่วยอย่างไรเราถึงจะมีความสุขนะมันต่างากันมากนะระหว่างคนที่ค่ําคขวาว่าตัดเพราะว่าทําไมต้องเป็นชั้นกับคนที่ ได้คิดว่าทําไมจะเป็นชั้นไม่ได้คําถามปฏิกิริยาแล้วมันเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ยอมรับความจริงแต่ปฏิกิริยาอันนึงเนี่ยมันเป็นการยอมรับความจริงได้หรือคนที่บอกว่าเนี่ยคร่ำควรวบว่าทําไมฉันต้องป่วยทําไมฉันต้องป่วยตอนนี้อันนี้คือไม่ยอมรับความจริงและทุกข์ไหมมันทุกข์นะทั้งกายทั้งใจบางทีกายไม่ทุกข์เท่าไหร่ เพราะว่าโรคยังไม่แสดงอาการมากเพียงแต่ว่าไปเจออาการของโรคเจอรอยโรคแต่ว่ายังไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่าใจนี่มันปวดไปแล้วเพราะไม่อยากรับความจริงแต่ถ้าคนที่อยากรับความจริงนี่เขาจะมองว่าเออเราป่วยอย่างไรถึงจะมีความสุขนะคนที่มองแบบนี้คิดแบบนี้เนี่ยเขาจะมองไปข้างหน้าเขาจะไม่ทุกข์แล้วว่าเขาจะเลิกถามว่าทําไมฉันต้องปว่วยเพราะว่านั่นมันไม่สําคัญละ มันเกิดขึ้นแล้วจะถามไปทําไมสิ่งที่ควรถามควรควร้นหาคําตอบคือว่าเมื่อป่วยแล้วทำไงถึงจะมีความสุขได้ตรงนี้แหละนั่นที่มันจะพาเราไปสู่ทางออกจากทุกข์ได้หลายคนก็เข้าหาธรรมะนั่นแล้วก็พบธรรมะในที่สุดและธรรมะก็ทําให้พบสุขกลายเป็นว่าทุกข์ผลักให้ไปเจอธรรมและเมื่อเจอธรรมแล้วก็พบสุขได้ตอนนี้การ การเปิดใจเห็นความจริงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้เป็นแค่เป็นความจริงในระดับในระดับต้นในระดับเบื้องต้นมันมีความจริงอีกหลายอย่างที่เราควรจะจะรู้แล้วก็เข้าใจนะเช่นการที่เราได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เชื่องแท้แน่นอนทุกอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ระดับไปไม่มีอะไรที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ มีความเสื่อมเป็นที่สุดไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมว่าเป็นตัวเราของเราได้อันนี้คือความจริงที่เราไต่ลักนะซึ่งเราก็ควรเข้าใจด้วยเพราะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยนะมันจะทำให้สามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความยึดมั่นถือมันยึดมั่นถือมันในสิ่งที่ที่ไม่เที่ยงแต่ยึดอยากให้มันเที่ยงยึดมั่นถือมันในสิ่งที่มันต้องดับไปแต่ว่ายึดอยากให้มันคงอยู่ ในสภาพเดิมยึดอยากในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ว่าอยากจะให้มันเป็นตัวเป็นตนคงแท้ยั่งยืนอันนี้มันเป็นความยึดที่มันสนทางความเป็นจริงแล้วเมื่อเราสนทางความเป็นจริงก็เหมือนกับว่าเรายืนต้านกระแสน้ำนะแล้วมันไม่ใช่กระแสน้ำธรรมดาแบบ ow, แลาปตาวันมันเป็นกระแสน้ำเชี่ยวนะแล้วถ้าเรายืนต้านกระแสน้าเชี่ยวเป็นไงก็ถูกน้าพัดพา บางทีอาจะจมหายไปเลยก็ได้ความจริงเนี่ยของโลกนี้ของชีวิตนี้ของกายและใจนี้เนี่ยมันเหมือนกับน้ําเชี่ยวนะไม่มีใครต้านทานกระแสน้ํานี้ได้ในในกระแสน้ําบางอย่างนะเราอาจจะตั้งเขื่อนอาจจะสร้างเขื่อนนะควบคุมมันได้แต่ว่ากระแสทา น, นแห่งสัจธรรมนี่มัน รุนแรงนะที่ชนิดว่าไม่มีใครต้านทานได้อย่างมากก็แค่หน่วงเหนียวเท่านั้นเองแต่ว่าก่อนจะไปถึงความจริงระดับนั้นเนี่ยนะมันมีความจริงที่เราควรจะฝึกใจให้รู้อยู่เสมอก็คือความจริงที่เกิดขึ้นนะกับกายและใจของเราความจริงขั้นพื้นฐานเลยนะก็คือว่าเวลาเราเดินนะก็รู้ว่าเดินเวลาเรานั่งก็รู้ว่านั่งเวลาคิดก็รู้ว่าคิดเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธ นะเวลาโมโหก็รูว่โมโหอันนี้คือความจริงระดับพื้นฐานนะซึ่งมันไม่ต้องใช้สติปัญญาเลยมากเลยนะมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยสามารถจ ะ, จะเห็นได้ผู้รวมรวมคือมันเป็นความจริง ม, มันเกิดมันคือความจริงที่เกิดจากการหันมามองตนนะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมามองตนเท่าไหร่มองตนก็มองแต่หน้าเวลาส่องกระจก แล้วก็เห็นแต่หน้าตัวเองนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันละเอียดไปกว่า น, นั้นและสาคัญมากก็คือความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นกับเราทุกขณะมันไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพียงแต่ว่าแค่เห็นมันก็พอแล้วนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจตจะบอกให้รู้ซื่อๆนะรู้อะไรนะก็รู้ความจริงที่เกิดกับกายและใจ นะเป็นความจริงพื้นฐานนะเคลื่อนไหว ก, ก็รู้ว่าการมเคลื่อนไหวนะมือยกก็รู้ว่ามือยกนะแต่บางทีนี่ไม่รู้นะเดินก็จริงแต่ว่าใจนี่ลอยไปไหนไม่รู้พอใจลอยหรือใจคุ้นคิดเนี่ยนะก็ไม่รู้วตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่มีนักวาศาสคนหนึ่งนะแกเป็นนักวาศาสที่มือชื่อมากแกคุ้นคิดอยู่กับทฤษฎีนะ เกี่ยวกับฟิสิกส์อันนี้ก็ประมาณสักเกือบร้อยปีมาแล้วสมัยนั้นเยอรมันเมืองกรุงิงเกนเนี่ยเป็นเมืองที่มีนักวิสิคชื่อดังทั่วโลกไปกระจุกกันที่นั่นต่างคนต่างก็คิดคนทฤษฎีนะแกก็คิดอยู่นั่นแหละทฤษฎีนะเกี่ยวกับฟิสิกสนะ์กินก็คิดนอนก็คิดนะแล้ววันหนึ่งแกก็เดินไปไปที่หมหาวิทยาลัยซึ่งแกมีหน้าที่สอนระหว่างที่แกคิดอยู่แกก็เดินสะดุด สะดุดหินแกก็ล้มลงเนื่องจากแกเป็นคนมีอายุมากแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปช่วยก็ไปจับตัวก็ไปอุ้มแกพยุงแกขึ้นมาแกกับไล่แกกับสะบัดนะขณะที่นอนอยู่นั้นแกก็สะบัดมือไม่ใคยมาจับแกบอกเนี่ยอย่ามายุ่งกับผมยังไม่รู้ไม่รู้หรือไงว่าผมเนี่ยยังไม่ว่างนะผมยังยุ่งอยู่นะแกไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนอนนอนพังภาพแล้วนะไม่รู้ตัวนะ เพราะว่าใจกําลังคิดถึงทฤษฎีนะซึ่งมันกําลังเข้าที่เข้าทางใครที่มาช่วยแกแกกลับเห็นมาว่ามาบุนวาปกับแกไม่รู้หรือไงว่าผมกําลังยุ่งอยู่นะแกไม่รู้ตั ว, วตัวเองเนี่ยล้มลงไปแล้วนี่ขนาดความจริงแค่ ง, ง่ายๆนะก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะใจลอยแต่ว่านอกจากความจริงเกี่ยวกับใจเกี่ยวกับกายที่เป็นเรื่องพื้นๆแล้วเนี่ยให้ความจริงเกี่ยวกับใจ ที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกขณะเช่ขนขณะนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะเรามีความรู้สึกเฉยๆเรามีความรู้สึกง่วงเรามีความรู้สึกเบือ่อเรามีความรู้สึกกังวลเพียงแค่เรารู้ว่ามีอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการเห็นความจริงนะที่เราต้องฝึกทำสม่ำเสมอมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะ ไม่ต้องเรียนหนังสือก็ก็รู้ได้ก็เห็นได้และการเห็นความจริงอย่างนี้แหละที่เรียกว่าภาวนาและเมื่อเห็นความจริงนะว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นมีความคิดเกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะะถ้าเห็นไปเห็นไปมันก็จะเห็นนะเห็นใจรักเห็นอันตริจังทุกขังอนัตตาเห็นความจริงเกี่ยวกับรูปและนามนะซึ่งก็เป็นความจริงอีกชุดหนึ่งนะที่สําคัญนะ ความจริงเกี่ยวกับรูปและน้ำคือว right. ่าแท้จร so in ิงแล้วมันไม่มีตัวเรานะมันมีแต่รูปกับนามแต่ว่าเป็นเพราะความปรุงแต่งนะอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยเป็นเพราะความปรุงแต่งมันก็เลยสร้างตัวตนขึ้นมาเสมอว่าเป็นเจ้าของรูปและนามนี้เป็นเจ้าของกายและใจแต่ที่จริงไม่มีใครนะไม่มีอะไรเป็นเจ้าของกายและใจกายและใจนี่มันก็มาจากธรรมชาติก็กลับคืนสู่ธรรมชาติแต่เป็นเพราะความไม่รู้นะ ความหลงก็เลยสร้างตัวตนขึ้นมาครอบหรือว่าซ้อนอกายและใจรูป ก, กับนามนี้การเห็นความจริงนะก็คือภาวนาคือการเห็นความจริงที่มันทะลุไอ้ภาพซ้อนตัวนี้คือภาพตัวตนเนี่ยซึ่งเป็นมายาภาพเนี่ยเราไปเห็นความจริงว่ามีแต่กายกับใจไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีสิ่งที่เราตัวฉันตัวกูไอ้ความจริงนี่แหละที่มันจะช่วยทาให้ เวลาเจ็บเวลาป่วยนี่นะมันก็ทุกแต่กายนะแต่ใจไม่ทุกถ้าหลวงปู่ดูเนี่ยท่านหลวงปูด่ดูท่านมรณภาพเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วตอนที่มรณภาพท่านก็อยู่ร้อปีไม่ใช่หลวงปู่ดูลองปู่บุตรตาหลวงปู่บุตราถาวโรตอนที่ท่านชลามาแล้วท่านก็ไปไปผ่าอนุ่ยออกตอนนั้นยังไม่มีอุตตสาวนะผ่าเสร็จสักพักท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรข้อยอยังชั่วยละ คือท่านหมายความว่าท่านกำลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วพระหมอและพยาบาลก็แปลกใจแล้วก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไม่เจ็บเหรอมหลวงปู่บอกเนี่ยร่างกายฉันก็เหมือนคนทั่วไปนี่แหละมันก็เจ็บสิแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยในความรู้สึกของหลวงปู่เนี่ยถ้าไมไ่รู้สึกว่าฉันเจ็บนะถ้ารู้ท่านเห็นแต่ว่าเออกายมันเจ็บท่านรู้แต่ว่ากายมันเจ็ บ, แ ต, จบแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วย เพราะมันไม่มีตัวกลัขึ้นมาเป็นผู้เป็นเจ้าของความเจ็บหรือเป็นผู้เจ็บนะให้ความเจ็บนั้นเป็นของกายนะแต่ไม่ใช่เป็นของตัวกูัหรือตัวฉันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เจ็บแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยอือคราวนึงท่านไปไปฉันเขาโยมเขานิ ม, มนต์ให้ท่านไปฉันในงานาทาบุญคงจะขึ้นบ้านใหม่นั่นแหละก็มีพระมาร่วม คณะกับหลวงปู่ด้วยปอกก็ว่าอาหารมีพิษพระทั้งคณะเลยก็อาจเจียนกันเป็นแถวโดย พ, พระพัหนุบเนี่อาจเจียนจนกระทั่งไม่มีแรงเนียนอนแต่หลวงปูน่นี่ท่านสามารถจะนั่งคุยกับโยมได้นะสักพักก็หันมาอ่าวอ้วกอาจเจียนใส่กระโถนแล้วก็นั่งคุยกับโยมต่อนะไม่มีอาการทุรนทุรายเลย ท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะคุยกับโยมจะได้ให้กําลังใจเขาไม่งั้นเขาเขาเสียใจนะที่ทําให้พระต้องมามีอาการแบบนี้คนก็แปลกใจหลวงปู่ทําไมไม่เป็นอย่างพระทั้งหลายท่านก็อธิบายว่าเนี่ยร่างกายนะมันก็ประกอบไปด้วยธาตุดินน้ําไฟลมคือธาตุสี่เวลาเจอยาเบื่อยาเมามันก็มันก็มีอาการแบบนี้แหละแต่ใจไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนยาเบื่อด้วย เพราะฉะนัน้นก็เลยจะเอามาปนกันไม่ได้คือไอ้ที่ปวดก็ปวดแต่กายนะั้นแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยก็เลยไม่มีการทุรนทุรา ย, ยางั้นการเห็นความจริงเรื่องกายและใจเนี่ยนะเพียงแค่นี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้ความปวดเนี่ยมันไม่กระจายไปถึงใจมันก็จํากัดบริเวณอยู่แค่ปว่วยหรือปวดที่กายเท่านั้นเองั้งแต่ถ้าเรารู้ความจริงมากไปก่อนนั้นนะซึ่งคนที่จะระดับที่เห็นรูปเห็นนาม นะเห็นความจริงเรื่องกายและใจั้นก็จะเห็นต่อไปว่าให้ความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีความพักคสูญเสียก็ดีอันนี้เป็นธรรมดาลโลกเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นนะก็ทุกแต่กายหรือว่าเสียแต่ของแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยนะแม่คนรักแม่คนที่รักผูกพันพ่อแม่บุป ก, การีนะจะล่มหายตายจากไปนะแต่ก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไร เพราะเห็นได้ว่ามันเป็นธรรมดาอันนี้แหละคือสิ่งที่ชาวพูดเรานะต้องใส่ใจด้วยนะไม่ใช่เอาแต่ทำความดีสร้างบุญสร้างบุญศนเข้าวัดเข้าวาแต่ว่าไม่สนใจภาวนาหรือว่าไม่พยายามเปิดใจเห็นความจริงนะที่ว่ามาเอาละคำนี้ก็พูดกันเท่านี้